จเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอันดับต่อไปนี้ก็จะบรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีในหมวดสี่ในหัวข้อว่าจักสี <c oughs> เพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาตลอดจนกระทั่งท่านสาธุชนผู้สนใจฟังในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปฉะนั้นเมื่อพูดถึงจักสีก็ มีความหมายว่าคาว่าจักรคาว่าจักในที่นี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์กลไกนะถ้าเครื่องยนต์กลไกนั้นหมายถึงว่ามันหมุนวนไปถึงที่จุดหมายปลายทางได้นะถึงที่จุดหมายปลายทางได้ฉะนั้นจักรีในที่นี้เหมือนกันถ้าหากว่าผู้ได้ประพฤติทำสี่อย่างนี้ก็จะพาตัวเองนั้นไปสู่จุดหมายปลายทางได้นะไปสู่จุดหมายปลายทางได้ จึงได้เรียกว่าจักสีฉะนั้นจักสีนี้ก็มีหนึ่งปฏิรูปรเทศวาสัคืออยู่ในประเทศอันสมควรสองสัพปริสูปัสยะครบสัตว์บุรุษสอัตตะสัมมาปนิธิตั้งตนไว้ชอบสปุกเพกะตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนทั้งสี่ข้อนี้แหละได้ชื่อว่าจักสีที่จะ นำผู้ประพฤติปฏิบัติให้หมุนไปสู่จุดหมายปลายทางได้ที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จดังที่ตนได้มุ่งมา่ปรารถนาได้ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายมาทำความเข้าใจในข้อแรกที่บอกว่าปัติรูประเทศวาสัตหรือบางที่อาจจะบอกว่าปัติรูประเทศวาโสก็คือว่าอยู่ในประเทศอันสมควร ทำว่าประเทศอันสมควรในที่นี้อถ้าพูดในทางผิวเผินก็คือว่าหมายถึงพินฐานอันเหมาะสมนะอันเหมาะอันพอควรแก่ตนอันเหมาะแก่ตนแก่ความที่จนจะทํามาหากินได้โดยสะดวกหรือว่าทําธุรกิจของตนได้โดยสะดวกได้ชื่อว่าเป็นประเทศอันสมควรแต่ว่าในทางทำท่านหมายถึงว่าเอาประเทศที่มีสัตว์บุรุษนะี่ เอาประเทศที่มีสัตว์บูรด์แต่ว่าในทางโลกโลกก็หมายถึงว่าประเทศที่มีพืชพันธัญญาหารการทํามาหากินในสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลการคมนาคมสะดวกนี่เอาแค่นี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนกับอยู่ในภาคกลางอย่างเนี้ยรู้สึกว่าการทํามาหากินสะดวกแต่ว่าถ้าอยู่ยังภาคอีสานก็รู้สึกว่ามันแห้งแล้งไปหน่อยเนี่ยเหมือนว่าเป็นประเทศที่ไม่เป็นปฏิรูปประเทศ นะแต่ว่าอยู่ในภาคกลางนี้ว่าเป็นปฏิรูปประเทศนะเป็นประเทศอันอุดมสมบูรณ์ที่จะวานพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรไปก็ได้รับผลได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากนะอันนี้มันก็มีส่วนเป็นความจริกที่ว่าประเทศอันสมควร น, นั้นไม่ใช่เฉพาะจะมีแต่สัตว์ปุถุตเท่านั้นจะต้องเป็นประเทศที่อ่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารบัวไม้ต่างๆนนา เราจะทําอะไรประกอบกิจการอันใดธุร ก, กิจอันใดก็จะอํานวยผลประโยชน์ให้กับผู้ที่ทําทสิ่งนั้นไม่มากก็น้อยนะอันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นปฏิรูปประเทศแต่ถ้าหากว่าในถิ่นที่มันกันดารแห้งแลง้งมันก็ไม่ชื่อว่าเป็นปฏิรูปประเทศทีนี้เราก็ลองมาคิดดูยังแถวตะวันออกกลางโดยมากเป็นทะเลทรายนะการปลูกพืช พันธุ์ต่างๆนี่ไม่ค่อยสะดวกนะแห้งแรงมากแต่ว่าเป็นโอกาสดีอของประเทศแถวตะวันออกกลางก็คือว่าแถวนี้มีน้ำมันมากนะน้ามันมากนี่ก็เลยกลายเป็นถึงแม้ว่าจะไม่มีพืชพันธุ์ตัญญารดีแต่ก็กลายเป็นร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีของโลกก็คืออยู่ในแถวตะวันออกกลางก็คือว่ามีน้ำมันมากทั่วโลกต้องใช้น้ำมันจากที่นี่ทางนั้นนะฉะนั้นอันนี้แหละ ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะน่าคิดแต่ว่าของเรานี่ก็แบ่งกันออกไปภาคเหนืออภาคใต้ภาคตะวันออกอภาคกลางภาคอีสานก็รู้สึกว่าภาคอีสานนี้ก็จะเป็นที่แห้งแล้งกันดานหน่อยนะลาบากหน่อยอืแต่ว่าโดยพูดกว้างๆแล้วก็เมืองไทยนี้เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากนะพืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์เรียกว่าแทบกล้าพูดได้เลยว่า เราเป็นประเทศหนึ่งในอันดับโลกนะที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมีพืชพันธุ์ทัญญาหารผลหมากรากไม้กินได้ตลอดฤดูกาลทุกฤดูกาลมีหมดแต่ว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้มีอย่างนี้นะไม่ได้มีอย่างนี้ไม่ได้สมบูรณ์อย่างนี้อย่างกับแถวในยุโรป ก, ก็ดีอ่าในอเมริกาก็ดีประเทศของเขาจเจริญ จ, จริงแต่จะมีพืชพันธุ์ธัญญาหาร ผลละหมากรากไม้กินให้สมบูรณ์ทุกทฤดูการเหมือนอย่างบ้านเราไม่ได้นะไม่ได้แต่ของเรานี่มีนะมีทุกฤดูการนี่แล้วก็ต้นหมากรากไม้ก็ขึ้นง่ายนะบางทีตำกำแพงวัดกำแพงวัดเป็นปูเนี่ยต้นไม้ก็ขึ้นออกเต็มครึ่มไปหมดไม่ต้องไปปลูกนี่แสดง ว, ว่าผืนแผ่นดินของประเทศไทยเรานี้มันชุ่มฉ่านะมีโอชะนะมีโอชะอ เรียกว่าพืชพันธุ์ธรญมาติในที่มันติวมาลอยมาตกตั้งกระแพงก็สามารถที่จะก่อเกิดเป็นต้นนะแต่กิงก้านร้างขาออกดอกออกผลได้นะนี่จะแสดงว่าเมืองไทยเรานี่สมบูรณ์มากฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการจะพูดจูงใจสําหรับคนไทยว่าให้เรานี้รักเมืองไทยเทิดพอใจเมืองไทยเทิดนะอย่าว่าเมืองไทยไม่ดีเลยนะเรียกว่าเมื่อเราไปอยู่นั่นแหละเราจึงจะเห็นว่าเออ อะไรที่มันแตกต่างกับเมืองไทยเมืองไทยของเราก็มีที่เขาดีกว่าเมืองไทยก็มีนะไอ้ที่เขาไม่ดีกว่าเมืองไทยก็มีเมืองไทยที่ดีกว่าเขาก็มีฉะนั้นเรารักเมืองไทยมากๆแล้วก็เราจะไม่ตกเป็นทาสของใครแต่ถ้าเราไม่รักเมืองไทยเราไม่รักคนไทยเราไม่รักของกินของใช้ของไทยไปกับนิยมคนเทศไปนิยมของกินของเทศแน่นอนที่สุดเราก็จะตกเป็นทาสของต่างประเทศ ฉะนั้นจึงมีคํากลอนบทหนึ่งบอกไว้ว่าเกิดเป็นไทยรักไทยใจประเสริฐไทยควรเทิดของไทยไปทุกขนภาษาไทยควรใช้ให้แยบยนไทยจะพ้นความเป็นทาสทั้งชาติไทยนี่เห็นไหมนี่นั้นกินของไทยใช้ของไทยแล้วก็จะเรินนะจะเรินแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้กินของไทยไม่ได้ใช้ของไทยไปถือว่าของไทยไม่ดีนะของไทยยังเรียกว่าเกรดต่ํา ไปนิยมของเพศมันก็นั่นแหละก็คือสร้างความอันเนกเสื่มสรามให้เกิดขึ้นกับตัวเรานี่ก็พูดเป็นความหมายในแง่โลกโลกนะในในแง่หนึ่งของที่บอกว่ า, อ, าอยู่ในประเทศอันสมควรปฏิรูประเทศวาสัต์แต่ในทางคำนั้นท่านมุ่งเอาว่าการอยู่ในประเทศอันสมควรนั้นก็คือว่าเป็นประเทศที่มีสัตว์บุรุษนะประเทศที่มีสัตว์บุรุษก็คือมีนักปราช ประเทศที่มีผู้เฉลียวฉลาดนะสามารถที่จะบอกศิลปะวิทยาการต่างๆสามารถที่จะอบรมสั่งสอนให้ชนในประเทศนั้นในชาตินั้นในเมืองนั้นให้มีความรู้ดีรู้ชั่วรู้จักรับผิดชอบนะอย่างนี้แหละที่ว่าเป็นปฏิรูประเทศนะเป็นปฏิรูประเทศ คือท่านประสงค์เอาว่าเอาบุคคลผู้ที่มีความสงบระงับหรือว่าประพฤติดีประพฤติชอบประพฤติสุจริตนะด้วยกายวาจาใจอันนี้แหละชี่ว่าเป็นปฏิรูปประเทศนคนที่ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็คือว่าคนที่คอยระวังนไม่ทําความเสียหายให้เกิดขึ้ น, นไม่ทําความเสียหายให้เกิดขึ้นคอยระวังไม่ให้ความชั่วนั้นเกิดขึ้นในจิตในใจ และไอสิ่งที่มันเกิดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วก็ละให้มันหมดไปนะละให้มันหมดไปแล้วก็พยายามสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวสังคมประเทศชาตินะพยายามทําพยายามคิดพยายามค้นคว้าและไอสิ่งที่ดีที่งามที่เกิดขึ้นกับตนเองกับครอบครัวสังคมประเทศชาตินั้นอันก็พยายามรักษาไว้ทนุถนอมไว้บํารุงรักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อมไปไม่ให้มันหมดไป อย่างนี้แหละจะได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์เป็นสัตบุรุษเป็นคนดีเป็นคนฉลาดได้ชื่อว่าเรานั้นอยู่ในประเทศอันสมควรประเทศอันสมควรที่ว่ามีสัตบุรุษนั้นคือคนที่เป็นสัตบุรุษคนมีสติปัญญานั้นจะอยู่ในที่ไหนก็ทําที่นั้นให้เจริญนะจะอยู่ในที่แห้งก็ทําในที่แหลงนั้นให้กลายเป็นที่เจริญให้กลายเป็น ที่จะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ท่านลองนึกดูอย่างประเทศอิสราเอลอิสราเอล น, นี่ก็เป็นภูเขาเป็นทะเลทรายแต่เขาก็สามารถสร้างเอาพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเอามาปลูกเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารได้สมบูรณ์นะฉะนั้นปีหนึ่งบางทีพวกเรายังต้องส่งทางราชการยังต้องส่งพวกคนไทยไปศึกษาไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมแถวอิสราเอลมากก็มีนะเขารู้จัก เอาน้ำไปใช้นะไปใช้ในทะเลทรายเอามาทําให้เป็นประโยชน์ได้หรือยังไต้หวันอย่างนี้นะประเทศภูมิประเทศของเขาก็เป็นภูเขาไม่มากเขาก็พยายามใช้ภูมิประเทศของเขานั้นให้เป็นประโยชน์นะปลูกข้าวบนภูเขาได้นะทาเป็นขั้นขั้นขั้ขั้นบันไดแล้วก็เอาน้ําขึ้นไปรถน้ําพอขึ้นไปรถในที่สูงมันก็ค่อยไหลลงมาเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นประทะกันมาเป็นต่อต่อต่อนี่ปรากฏว่า เมืองของเขามีความเจริญรุ่งเรืองมากนี่ฉะนั้นนี่แหละเพราะประเทศนั้นมีสัตว์บุรุษมากนะมีคนฉลาดมากนะมีคนฉลาดมากดังนคนฉลาดนี่อยู่ในที่ไหนไม่อดตายอยู่ในที่ไหนไม่ไม่ลําบากไม่เสื่อมนะสัตว์บุรุษอยู่ในที่แรงก็ไม่แล้งอยู่ที่ภูเขาก็ทําภูเขานั้นให้เป็นที่ทํามา ก, กินให้เป็นที่เจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็สามารถที่จะชี้ แนะแนวทางให้คนที่อยู่ในแถบนั้นจังหวัดนั้นประเทศนั้นได้รับรู้ดีรู้ชั่วจากศิลปะวิทยาการต่างๆหรือคุณธรรมต่างๆให้เป็นคนดีให้คนมีความมานะมีความอดทนมีความเจริญมีความรุ่งเรืองจากที่ตนได้ช่วยแนะนําบอกกล่าวทุกสิ่งทุกอย่างได้ตรงกันข้ามถ้าประเทศชาติใดไม่มีคนฉลาด นะไม่มีนักปราศไม่มีสัตบุรุษรู้สึกว่าประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานะด้อยพัฒนาจะเป็นประเทศที่ล้าหลังนะทำอะไรก็ไม่ค่อยออกดอกออกผลจะคิดอะไรก็ไม่ค่อยเป็นผลสําเร็จนะก็เพราะว่าคนในประเทศนั้นไม่มีมันสมองถ้าพูดแบบอย่างภาษาชาวบ้านก็คือว่าไม่มีมันสมองไม่มีนักปราศ ฉะนั้นถ้าหากว่านักปราดเกิดขึ้นในที่ใดมากที่นั้นก็ถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศเพราะว่าคนเราถ้าเป็นคนฉลาดจะแล้วจะไปอยู่ที่ใดก็ทำที่นั้นให้เจริญรุ่งเรืองทุกที่นะส่วนคนที่ไม่ฉลาดคือคนโง่แม้ไปอยู่ในที่เจริญตัวเองก็ไม่เจริญซ้ำร้ายบางทีก็ทำที่เจริญอันนั้นให้เสื่อมได้ให้ไม่เจริญได้ถ้าหากว่าตัวเองนั้นได้มีบุญญาวาสนาได้ไปเป็นผู้นาในที่นั้น ก็บางทีก็อาจจะทําให้เสื่อมให้ไม่เจริญได้นะอันนี้ก็มีให้เราดูเราเห็นเราทราบกันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงบอกว่าอปฏิรูปประเทศนั้นก็หมายถึงว่าในทางธรรมก็หมายถึงว่าเอาที่ที่มีสัตบุรุษหมายถึงจังหวัดที่มีสัตบุรุษหมายถึงประเทศที่มีสัตบุรุษประเทศไหนมีสัตบุรุประเทศนั้นได้ชื่อว่าเป็นปฏิรูปประเทศนะเป็นปฏิรูปประเทศอันนี้ก็ขอฝากท่างผู้ฟังทั้งหลายไว้ว่า ฉะนั้นให้เราได้เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนมากๆานะได้ศึกษาเล่าเรียนมากๆได้คบสัตบุรุษบ่อยๆแล้วก็ฟังธรรมของท่านเรามีโอกาสที่อ่าจะได้เป็นสัตบุรุษเขาบ้างนะจะได้เป็นคนดีนะจะได้เป็นคนดีฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าประเทศอันสมควรนั้นก็คือประเทศที่มีสัตบุรุษอ่าคนที่เป็นสัตบุรุษนั้นจะเป็นผู้ที่ประพฤติชอบนะประพฤติชอบประพฤติตนให้เหมาะสม แก่ความเป็นอยู่ของตนนะแก่ความเป็นอยู่ของตนเป็นผู้ใหญ่ก็ประพฤติตนให้เป็นหลักมีเมตตาอารีกับผู้น้อยเป็นคนเสมอกันก็ประพฤติตามฉันมิตรซื่อตรงต่อมิตรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่มิตรเป็นผู้น้อยก็คอยอ่อนน้อมเอื้อเฟื้อเคารพแก่ผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นผู้น้อยก็คอยอ่อนน้อมหรือว่าคอยพนมมือ่า ง, งันเคอยรับ ใช้คอยรับคำสั่งอย่างนี้ก็เจริญอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นคนตั้งตนไว้ชอบนคนตั้งตนไว้ชอบก็คือในข้อที่สองนในข้อที่สองเมื่อเราได้อยู่กับสัตว์บุรุษแล้วเราก็ทำให้เรานั้นได้คบสัตว์บุ ร, รุษก็คือว่าการครบสัตว์บุรุษนั้นก็ทำให้เรานั้นเป็นคนฉลาดทำให้เรานั้นเป็นคนดีนอันนี้ก็ได้พูดไว้ในบทก่อนๆแล้วว่า การคบสัตว์บุรุษนั้นทําให้เราพลอยเป็นสัตว์บุรุษไปด้วยหรืออย่างคากลองที่บอกว่าคบคนดีก็เป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วก็พาตัวอัปปาชัยเราคบสัตวบุรุษเราก็เป็นสัตวบุตรเหมือนกับใบไม้ที่ห่อของหอมใบไม้ก็ย่อมหอมไปด้วยคบคนดีเราก็ดีไปด้วยคบสัตว์บุรุษเราก็เป็นสัตว์บุตรไปด้วยคบนักปราชาก็เป็นปราชัยไปด้วยตรงกันข้าม ใบไม้ที่หอกของเหม็นนะหอกของเหม็นใบไม้มันก็มีกลิ่นเหม็นไปด้วยคนเราเหมือนกันถ้าหากว่าไปคบคนผ่านหรือพวกอันดาผ่านก็ทำให้ชื่อเสียงของเรานั้นพลอยเหม็นกรุ้งไปด้วยคอยให้ชื่อเสียงของเรานั้นเสื่อมเสียไปด้วยนะไอความเป็นผ่านก็จะติดตามตัวเราไปไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมนะฉะนั้นจึงบอกว่าการครบสัตว์ปรุษนั้นก็เราครบไว้แบบเป็นครูบาอาจารย์ นะเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่น่าเคารพเป็นคนที่น่าบูชาเป็นคนที่น่ากราบไหวนะคนคนถ้าหากว่าเป็นสัตว์บุรุษแล้วใครก็ยกย่องนะใครก็สรรเสริญนะใครก็อยากบูชาแต่ก็ยังมีคนเห็นผิดเหมือนกันผู้นำของประเทศก็ดีหรือว่าพรมกองกระทรวงใดก็แล้วแต่ ถ้าหากว่าไม่เป็นสัตว์ปุรุษแล้วแน่นอนที่สุดในกรมกองนั้นกระทรวงนั้นประเทศชาตินั้นไม่เจริญนะไม่เจริญถ้าหากว่าเอาคนโง่ามาเป็นใหญ่ทีนี้ถ้าเกิดมีคนฉลาดมีความคิดเนินเสนอแนะอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมามีความคิดสร้างสรรค์เขาย่อมจะไม่เห็นด้วยนะดีไม่ดีก็อาจจะหาว่ามาแย่งตำแหน่งเอาก็ได้นะดีไม่ดีก็อาจจะหาว่าวางแผนคิดโค้นล้มก็ได้ี่อะไรทํานองนี้ ก็ถือว่ามันไม่ชอบมาพาคน<อ>ก็อาจจะหาทางกำจัดคนดีไปก็ได้อันนี้ในประวัติศาสตร์ของเราก็มีเยอะในปัจจุบันก็ให้เห็นมีอยู่เยอะนะฉะนั้นคนเรานั้นถ้าหากว่าจะหาคนมาเป็นผู้นำนะมาเป็นผู้นำมาเป็นหัวหน้านะทำงานเป็นหัวหน้าคนตามหน่วยงานต่างๆนะตามกรมกองต่างๆตามกระทรวงต่างๆหรือว่ามาเป็นผู้นาของประเทศขอให้เราได้ เลือกคนที่เป็นสัตบุรุษให้เลือกคนที่เป็นรัฐบุรุษให้เลือกคนที่เป็นคนฉลาดนะให้เลือกคนที่เป็นคนดีคนดีก็คือคนที่ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนะด้วยกายวาจาใจไม่ทำชั่วทางกายวาจาใจไม่ทำความเดือดร้อนทางกายวาจาใจอันนี้แหละเมื่อเราเลือกได้คนดีมาเป็นคนนำามาเป็นผู้นำเรานะม า, มาเป็นครูบาอาจารย์ของเรา แน่นอนที่สุดเราก็ดีถ้าหากว่าผู้นําประเทศของชาติเราดีทุกกรมทุกกองทุกกระทรวงของเรามีผู้นําดีแน่นอนที่สุดเยาวชนรุ่นหลังที่ขึ้นมาก็กลายเป็น อ, อนาคตของชาติที่มีพลังมีความเข้มแข็งเป็นมันสมองของประเทศชาติก็จะทําให้ประเทศประเทศชาติของเรานั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตรงกันข้ามถ้าหากว่าผู้นําของกระทรวงกรมกองใดไม่มีสัตว์ปรุษไม่มีคนฉลาด หรือว่าผู้นําของประเทศชาติใดไม่เป็นคนฉลาดไม่ประพฤติชอบโดยกายวาจาใจแน่นอนที่สุดกรมกองกระทรวงนั้นหรือว่าบ้านเมืองนั้นชาตินั้นก็มีแต่ความหายนะมีแต่ความล่มจมอันนี้ในทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราก็มีให้เห็นเป็นประจับเป็นพยานในที่เราแล้วมาเป็นอย่างดีว่าผู้นําของบ้านเมืองนั้นดีไม่ดีอย่างไรนะดีไม่ดีอย่างไร เป็นนักปราดหรือเปล่าเป็นบัณฑิตรหรือเปล่าเป็นสัตว์ปรุษหรือเปล่านี่อันนี้เราประวัติศาสตร์ได้เขียนไว้ได้บอกเราไว้ได้สอนเราไว้ฉะนั้นเราก็ควรจะพินิษพิจารณานะพินิษ์พิจารณาฉะนั้นจึงบอกว่าคนที่คบสัรบุรูดนั้นก็ถือว่าเป็นคนโชคดีนะโชคดีมากถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่เป็นสัตว์ปรุษเอาละได้ครบคนที่ประพฤติ ชอบด้วยกายวาจาใจในขั้นกลางที่เรียกว่าเป็นกันลยาณชนะนก็ดีแล้วนะดีแล้วเราทุกคนเกิดมานั่นมันเป็นปุถุชนคําว่า nah. nah. ปุถุชนก็คือว่าเกิดมาอย่างมีกิเลสหนาอ่ะมีกิเลสหนาปุถุนี่แปลว่าหนาอ่ะชนนี่แปลว่าเกิดผู้เกิดผู้เกิดหนาก็คือหมายถึงว่ากิเลสมันหนาอ่ะมีความโลภมันมากมีความโกรธมันมากมีความหลงมันมากอ่ะมันจึงมองไม่กยเห็นรู้ดีรู้ชั่วทําอะไรก็เห็นแก่ตัว ทำอะไรก็โมโหกโกรธทางง่ายใครมาเสี้ยมสอนอยุแยก็เป็นคนหูเบาเป็นคนใจร้อนเป็นคนดื้อด้านอย่างนี้มันก็ไม่จเจริญ น, นะไม่จเจริญฉะนั้นจึงบอกว่าการที่จะเลือกผู้นําในสายงานแต่และอย่างนั้นบางครั้งเราไม่ได้คัดเอาคนฉลาดไม่ได้คัดเอาคนมีความรู้แต่เราคัดเอาพวกพ้องของเราเราคัดเอาญาติของเราเราคัดเอาเพื่อนของเราอย่างนี้มันก็ไม่จเจริญ อย่างนี้ไปไม่รอดผู้ใดผู้ใดนั้นมัวเห็นแก่หน้ามัวเห็นแก่ญาติมูวเห็นแก่พี่น้องอย่างนี้ก็ทําประเทศชาติให้ล่มจมทําประเทศชาติให้เกิดความหายนะฉะนั้นการที่จะเลือกผู้นํามาเป็นหัวหน้า ง, งานในสายงานแต่ละอย่างเลยอย่างนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเลือกบุคคลดีมีศีลธรรมถือความสัตย์นี่นะคนดีมีศีลธรรมถือความสัตย์มีแต่จะสร้าง ความเจริญให้เกิดขึ้นในในสายงานนั้นๆนะหรือว่ามีความคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสารรค์ที่ดีที่งามอย่างนี้จเจริญนะอย่างนี้จเจริญฉะนั้นที่เขาเลือกคนดีเด่นในประเทศนะหรือในแพทย์ดีเด่นในประเทศเป็นบุคคลดีเด่นในประเทศอะไรแม่รู้สึกว่าเขาคัดเลือกเลยดีมากนะได้ดีมากอันนี้ก็ขอโนมโมธนาอืฉะนั้นจึงบอกว่า การคบสัตบุรุษนั้นจึงเป็นมงคลนะเป็นมงคลก็คือว่าเป็นความดีเป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้ามาในข้อที่สองที่บอกว่าอัตตะสัมมาปณิธินะอัตตะสัมมาปณิธิก็คือว่าการตั้งตนไว้ชอบนะการตั้งตนไว้ชอบเมื่อเราคบสัคบสัตบุรุษเราก็ได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษก็คือได้ฟังธรรมจากคนดีได้ฟังธรรมจากคนฉลาด นะเมื่อเราได้ฟังธรรมจากผลฉลาดแน่นอนที่สุดก็จะทำให้เรานั้นประพฤติดีประพฤติชอบนะประพฤติดีประพฤติชอบประพฤตยังไงเรียกว่าประพฤติดีประพฤติชอบก็จะได้ชื่อว่าเราคอยระวังระวังไม่ให้บาปนั้นเกิดขึ้นในจิตใจเรียกว่าสังวรประธานนะระวังไม่ให้บาปนั้นเกิดขึ้นในจิตใจระวังไม่ให้ความชั่วนั้นมาแปดปื้น กายวาจาใจและตนเองก็คอยสำรวมระวังอยู่ตลอดเวลาในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆมีสติมีสัมปชัญญะรู้เท่าทันต่อสภาวธรรมนี่แหละอย่างนี้เท่ากับว่าเรานั้นคอยป้องกันไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นและปะหารประทานเมื่อความชั่วที่มันมีอยู่ในใจของเรา ว่าเรามีเป็นคนเห็นแก่ตัวมากไหมเรายังเป็นคนใจน้อยไหมยังเป็นคนโกรธไหมยังเป็นคนใจดำอมตะหิตไหมเป็นคนอกตันยูไหมเราถามใจตัวเองเรารู้ตัวของเราเองนะเรารู้เมื่อมันมีอย่างนี้เราก็ค่อยๆละไปนะค่อยๆลดค่อยๆละนะค่อยๆฝึกค่อยฝนมันไปเท่ลไรก็น้อยสิ่งนี้ก็จะหมดไปได้นะสิ่งนี้ก็จะหมดไปได้ฉะนั้นทุกสิ่งอย่างถ้าหากว่าเรา ไม่ทำนะเราพยายามเอามันออกไปก็คือไม่เห็นแก่ตัวด้วยการเสียสละนั่นเองแล้วก็เป็นคนไม่โกรธก็ต้องรักษาศีลนะเป็นคนมีสติปัญญาดีไม่หลงไม่เป็นคนอกตัญญูก็ต้องเป็นคนหมั่นเจริญภาวนานะหมั่นฟังเทศฟังธรรมศึกษาตำรับธรรมราหมัน่นนั่งสมาธิาทำสมาธิอาโอกาสทำวันลนิดละหน่อยสัก 5, ห้านา ท, ทีสิบนาทีก็เป็นกุลเป็นกุศลแล้วนะ เพราะจิตใจที่เป็นสมาธินั้นเป็นจิตใจที่ควรแก่การงานคนที่มีจิตใจเป็นสมาธิเป็นคนที่ควรแก่เป็นหัวหน้าคนคนที่มีจิตใจเป็นสมาธิเป็นคนที่ควรเป็นผู้นำของคนสมควรเป็นผู้นำของประเทศนะเพราะอะไรก็เพราะคนที่มีจิตใจเป็นสมาธินั้นเป็นคนมีสติปัญญาเป็นคนมีอารมณ์ผ่องใสเป็นคนที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะ คนถ้าลภโ ก, กลดลงแล้วใจเป็นสมาธิไม่ได้นะใจเป็นสมาธิไม่ได้แต่ท่านเมื่อใจไม่เป็นสมาธิก็คื อ, ก, คอก็คือต้องบรรเทาความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปนะเบาบางลงไปที่จนถึงที่สุดก็คือว่าอัปปนาสมาธิก็คือสมาธิอย่างแน่วแน่นะสามารถที่จะปราบนิวรณูปกิเลสได้ก็คือว่าอุปกิเลสคือนิวรณ สิ่งที่ปิดกั้นแม่เราบรรลุคุณงามความดีแม่บรรลุคุณงามความดีจะพูดจะทําอะไรจะคิดอะไรแม่รู้สึกว่ามันมีความใคร่เข้ามาผัวพันอยู่ในจิตใจเกิดความใคร่ในรูปความใคร่ในเสียงความใคร่ในกลิ่นความใคร่ในรสความใคร่ในการสัมผัสหรือเกี่ยวกับการนึกคิดในอารมณ์ต่างๆรู้สึกมันเป็นเครื่องยั่วย้อมใจของเราให้เกิดความใฝ่ฝันให้เกิดความไหลหลงว่องเวงอยู่ตลอดเวลา อันนี้แหละก็คือว่ามันจะปิดบังของเราปิดบังสติปัญญาของเราไว้ทําให้เรานั้นไม่รู้อะไรตามความเป็นจริงหรือบางครั้งเราก็ทําอะไรด้วยการหุนหันพลันแล่นนะขาดความยักคิดนะขาดความยักคิดมีความโมโหโทโซโกรธง่ายนะตึงตังเ อ, อะอะผงผังอะไรทํานองนี้อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ถ่วงความจเจริญนะหรือว่าบางครั้งเราจะทําอะไรก็รู้สึกว่าเป็นคนเห็นแก่ น, นอน นะไอคนที่เห็นแกนอนเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพระพุทธองค์ได้ตัดไปเลยว่าเป็นทางแห่งความชิบหายนะเป็นทางแห่งความชิบหายเช่นว่านอนตื่นสายเนี่ยก็เป็นทางแห่งความชิบหายท่านลองคิดดูหน้าที่ราชการต่างๆเนี่ยทําการงานเขาเข้าแปดโมงหรือแปดโมงครึ่งแต่ว่าเราไปสักเก้าโมงบ้างสิบโมงบ้างเนี่ยมันก็เสื่อมเสียผลประโยชน์ของชาตินะแล้วก็เสื่อมเสียหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่าง นะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนเกียดติ้านอีกด้วยนะดังนั้นคนที่นอนตื่นสายก็ดีเกียดติ้านกันดีถือว่าเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองและสังคมประเทศชาติเป็นอย่างมากนะดะนั้นเขาจึงมีคําพูดที่บอกว่าคนไทยเรานี้เป็นคนมักง่ายนะทาอะไรตามใจคือไทยแท้นี่พิดแล้วแก้ตัวใหม่คนไทยชอบนี่มักจะว่าอย่างนั้นดังั้นคนไทยเนี่ยชอบอทําอะไรตามใจทําง่าย มักง่ายดังนั้นปัญหานี้ที่เรารณรงค์แก้กันอยู่ทุกวันนี้จึงไม่ค่อยได้ผลที่ไม่ได้ผลก็เพราะว่าเราไม่ได้ทําติดต่อกันไปามีการรณรงค์กันไปพักหนึ่งแล้วก็หยุดเงียบกันไปไม่ได้ทําติดต่อกันไปให้เป็นเดือนเป็นปีหรือว่าเป็นสามปีห้าปีสิบปีทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําติดต่อกันไปจึงจะได้ไม่ใช่ว่าทํำไปแล้วก็หยุดเงียบไปพักหนึ่งในเหตุการณ์นั้นก็เข้าเป็นปกติแล้วก็มารณรงค์ต่อ อย่างนี้ต่อให้ทำตลอดชาติก็ไม่ได้ผลนะอย่างนี้ไม่ได้ผลฉันั้นเราจะต้องทำให้ติดต่อกันนะให้ติดต่อกันอย่างนี้จึงจะได้ผลนะจึงจะได้ผลฉะงนั้นจึงบอกว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนง่วงเหงาเหาวนอนเป็นคนเห็นแก่นอนนะนอนขี้เศร้านอนแต่ละครั้งนานเหลือเกินปลุกแล้วก็ไม่ปล่อยลุกนะปลุกแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวายังฮือฮาอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่เจริญเสื่อม นะเสื่อมทั้งนั้นฉะนั้นอันนี้ก็บอกแล้วว่าการทำอะไรถ้าหากว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ดีหรือว่าเป็นคนเกียรติคร้านก็ดีหรือว่าเป็นคนนอนตื่นสายก็ดีหรือว่าเป็นคนนอนนานก็คือนอนขี้สาวก็ดีก็มีแต่ความหายนะมีแต่ความเสื่อมนะมีแต่ความเสื่อมประการต่อมาก็คือว่าให้เรานั้นเมื่อพยายามละ ให้ความชั่วร้ายที่มันมีอยู่ในจิต ใ, ใจออกไปจนจิตใจเป็นสมาธิพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าสมาธิงพิกเวภาเวทะสมาัโาโยถาปูตังประชานาติเมื่อพิสูจนทั้งหลายจงพากันเจริญสมาธิเถิดเมื่อเราจเจริญสมาธิจนมีจิตใจตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงถ้าหากว่าใจไม่เป็นสมาธิก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่เป็นตามก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามความเป็นจริง คือไม่รู้ตามสภาวะธรรมของความเป็นจริงยังรู้หลงหลงยังรู้หลอกๆนะรู้ไม่แน่นอนนะอย่างนี้ก็เป็นบอกเกิดแ่งความหายาณะได้แต่ถ้าเรามีจิตใจไปสมาธิแล้วรู้อะไรก็รู้ตามความเป็นจริงรู้ไม่ผิดก็คือรู้ถูกนะรู้ถูกให้รู้ถูกก็คือรู้ไงก็คือรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดความทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์นี่แหละเรื่องนี้เรียกว่ารู้ถูกนะ ฉะนั้นเรารู้ถูกอย่างนี้เราก็ต้องเดินตามทาง 8, นะร way, มรรคแปดหรือว่ามรรคบีองค์8สัมมาทิฏฐิก็คือเห็นชอบสัมมาสังกัปปะก็คือดําริีชอบสัมมาวาจาก็เจรจ า, าชอบสัมมารกรรมันตะก็คือการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะก็คือพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบอย่างนี้แลเรียกว่าเรารู้ถู ก, เ ร, รถกเรารู้ไม่ผิดนะเรารู้ไม่ผิดอย่างนี้ใช้ได้ อย่างนี้จะมีแต่ความเจริญและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเราจะต้องมันพยายามสร้างบุญสร้างกุศลขยันค้นคว้าศึกษาตำราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มันฝึกจิตฝึกใจให้สูงขึ้นเรื่อยๆออันนี้แหละก็จะถือว่าเรานั้นได้สร้างสรนในสิ่งที่ดีที่งามนะสร้างสรรในสิ่งในสิ่งที่สิ่งที่ดีที่งามได้ชื่อว่าเราตั้งตนไว้ชอบนิ่งไกว่านั้นสิ่งใดที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเป็น สิ่งที่ก่อให้เกิดสติปัญญาแล้วเราก็ควรรักษาไว้ที่มันมีอยู่ในใจของเราแล้วอย่าให้มันเสื่อมไปอย่าให้มันหมดไปคือมันสวดมันมันท่องมันเจริญมันดูมันเรียนมันศึกษาแนหนองที่สุดเราฝึกอยู่อย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นใจนะขึ้นใจแล้วก็เข้าใจเมื่อเกิดความขึ้นใจเข้าใจในการโล่มเมืันก็อยากไอการที่จะสูญหายไปมันก็อยากมันก็มีแต่ความคมทนทาวรนะมีแต่ความคมทนถาวร อย่างนี้แหละจะชื่อว่าเรานั้นตั้งตนไว้ชอบนะจะชื่อว่าเราตั้งตนไว้ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคือการตั้งตนให้เหมาะสมกับฐานะของตนฐานะของความเป็นพ่อฐานะของความเป็นแม่นะฐานะของความเป็นผู้ใหญ่ฐานะของความเป็นผู้น้อยฐานะของความเป็นลูกฐานะของความเป็นพี่ของความเป็นน้องนี่หรือว่า ฐานะของความเป็นพระสงฆ์องค์เมนฐานะของความเป็นอุบาสกอุบาสิกามีฐานะเป็นอย่างไรไมีสภาวะเป็นอย่างไรก็ตั้งตนให้เหมาะสมกับโภคกับธรรมกับศีลของตนเราทําอย่างนี้เนี่ยจะได้ชื่อว่าเรานั้นได้ตั้งตนไวชอบนะตั้งตนไวชอบฉะนั้นในทางธรรมท่านก็นักจาประสงค์เอาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องธรรมก็คือประสงค์เอาว่าคนที่คุ้มครองจิตใจของตนเองได้นะ ฝึกจิตฝึกใจของตนเองได้นั่นแหละเป็นคนที่ตั้งตนไว้ชอบทันตโตเสโโมนุสเสสุคนที่มีจิตอ่าคนที่สึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายนะคุดตั้งจิตตั้งสุขาวหังจิตที่คุม้มครองดีแล้วก็ย่อมนําความสุขมาให้นี่ฉะนั้นเราต้องหมัน่นฝึกฝนจิตมั่นทรมานจิตนะให้จิตนั้นมีความแน่วแน่ให้จิตนั้นมีความสงบาจากนิวรณู ป, ปกิเลสนะ อันนี้แหละจะเป็นบอกเกิดแห่งความสุขแห่งความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมที่นี้สำหรับคนที่มีวาสนาได้ช่อว่าเป็นผู้ใดกระทำความดีไว้ในปางก่อนกระทำความดีไว้ในปางก่อนหมายความว่าไงก็ ค, คือคนที่ได้สะสมบุญสะสมกุศล ม, มาตั้งแต่ชาติปางก่อน เมื่อเขามาเกิดในชาตินี้เขาก็ย่อมจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพือชาติก่อนหรือชาตินี้นะถ้าอยาเอาเวลาในส่วนอดีต ท, ที่ล่วงมาแล้วก็ได้นะนะนะเวลาในอดีต ท, ที่เราเกิดมาตรงต้นนะนะนะนี่เราสะสมไว้มากสมมุติว่าเราเกิดมาอายุตั้งสามสิบปีเนี่ยแสดงว่าในสิบปีล่วงมาแล้วยี่สิบปีล่วงมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราสะสมคุณงามความดีไว้มากนะอ่านะ อันนี้แหละส่งผลมาให้เรามีความเจริญรุง่งเรืองนะส่งผลให้เรามีความเจริญรุง่งเรืองก็จะได้ชื่อว่าเราเป็นผู้กระทาความดีมาก่อนแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงในชาติที่แล้วมาเราได้สร้างคุณงามความดีไว้มากในคุณงามความดีนั้นนั้นมันก็ส่งผลให้เรามาดีในชาตินี้อีกนะในชาตินี้อีกฉะนั้นจะบอกว่าในเรื่องอมีบุญที่ทําไว้แล้วในการก่อนนั้นก็คือตรงกับคําที่บอกว่ามีวาสนา ที่เรามักจะพูดว่านี่เป็นวา ส, สนาของเขาอนี่เป็นบุญของเขานี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นให้สังเกตดูคนเราบางคนเนี่ยมีมือมีเท้าเหมือนกันะมีกําลังวังชแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกันหมดนะทําบุญก็ทําเหมือนกันนะทำบุญก็ทําเหมือนกันทํานาทําได้ทำสวยก็ทําเหมือนกันแปลว่าความจเจริญรุ่งเรืองย่อมแตกต่างกันนะย่อมแตกต่างกัน บางคนทําไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ผลเต็มที่นะทั้งท้งที่คอยเอาใจใส่เหมือนกันแต่บางคนทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันจะเจริญรุ่งเรืองไปหมดไปจับอะไรมันเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะนี่แหละเขาเรียกว่าคนมีบุญอันสะสมไว้ก่อนเะหมือนอย่างกับลูกหลานของญาติโยมบางคนเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตสบายเลือเกินนะเพราะอะไรนะก็เพราะว่าตัวเองนั้นได้ ส, มสมมดั่งสมไว้ดีก็จึงมาเกิด ได้พ่อแม่ที่ดีนะเพราะพ่อแม่นั้นเป็นผู้สร้างไว้ให้นะมีบ้านก็สร้างไว้ให้ใหญ่ยยโตมีที่ดินเยอะมีเลือกสวนไร่นามากมีเงินมีทองให้ใช้ไม่หมดมีรถไถคีเนี่ยอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเรานั้นมีบุญที่สะสมไว้แล้วในชาติต่างก่อนด้วยแล้วก็เป็นบุญที่คุณพ่อคุณแม่ได้สะสมไว้ให้เราอีกด้วยนะถ้าหากว่าทําไมคนทั่วทั่วไปจึงไม่มีโอกาสได้เป็นอย่างเรา อันนี้ที่เป็นอย่างนี้มีมีมส่วนน้อยมากนะโดยมากก็คืออ่ะเกิดในฐานะปานกลางหรือว่ายากจนซะส่วนมากฉะนั้นอันนี้แหละจี่บอกว่าคนเรานั้นมีบุญวาสนาไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นแต่ ว, ว่าในอดีตชาตินั้นเราได้สะสมมาดีได้ทําความงามคุณดีไวมากได้เราเรียนศึกษาไว้มากประกอบบุงฐานการกุศลไวมากผลเมื่อมาเกิดในปัจจุบันชาตินี้จึงส่งผลให้เรานั้นได้ดี ไอ้คำว่าได้อยู่ดีกินดีอยู่ดีก็คือได้อยู่ในที่เจริญได้อยู่ในที่ไม่ลําบากนะเรียก ว, ว่ามีบ้านอย่างใหญ่โตนะแล้วก็อันแข็งแรงมั่นคงมีครอบครัวมิดชิดมีเครื่องอุ ป, ปโภคบริรโภคเครื่องใช้ไม้สอยทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมวุนบริบูรณ์อนะ่าแล้วก็มีเงินมีทองใช้ไม่รู้จักบท ม, มีรถก็ขี่ไปโร ง, งเรียนตลอดเวลานี่แหละถือว่าเป็นบุญของลูกเป็นวาสนาของลูก แต่ว่าบางคนส่วนมากแล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้นะลูกนั้นต้องช่วยตัวเองมากนะบางคนปากกัะตีนถิดบางคนเรียนหนังสือไม่สำเร็จเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเพราะเศรษฐกิจไม่เพียงพอพ่อแม่ช่วยแล้วก็ไม่เพียงพอตัวเองก็ทำแล้วก็ยังไม่ค่อยเพียงพอฉะนั้นจริงไม่มีโอกาสจะได้อยู่อย่างนี้หรือถึงคราวจะพอมีพอกระเบียดกระเสียนมาได้ก็ต้อง ขึ้นรถเมย์นะต้องขึ้นรถเมย์ต้องห้อยหัวมาบางครั้งก็เบียดเสียดกันมากนะนั่งกันแน่นไปหมดเลยไม่สะดวกสบายนี่มันเป็นเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องเวรกรรมนั่นเองนะเป็นเรื่องเวรกรรมฉะนั้นในเรื่องปกเพกระตะปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญนันธรรมแล้วในในชาติปางก่อนนั้นอันนี้ก็มีตัวอย่างที่พอจะยกหมายท่านทั้งหลายได้ฟังนะด้ฝั่งสักเรื่องหนึ่งคือมีมีโยมคนหนึ่ง นะที่จริงแกก็เป็นลูกของคนมีฐานะนะฐานะพอควรนะฐานะดีพอควรทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแต่เมื่อแกมาได้เป็นสามีภรรยากันแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่ดีเท่าที่ควรเทนะ่าที่ควรต่างคนก็ต่างต้องระหกระเหินเร่ร่อนกันไปต่งางหน้างานนา บางครั้งก็ต้องแยกกันอยู่ไปเกือบปีนะแต่ด้วยความมีความจริงใจต่อกันก็ได้กลับมาอยู่กันใหม่ไอ้ที่ยแยกกันไปนะั่นก็เพราะความไม่ชอบมาพาควมของผู้ใหญ่นะต้องคลาบกันไปอะไรกันไปแต่ว่าด้วยตัวเองที่มีความจริงใจก็มุ่ง ม, มั่นในการขยันทำมาหากินปรากฏว่าทาให้ตัวเองนั้นจะริญรุ่งเรือ ง, งอยู่ตลอดเวลานะจะริญมากนะจากพี่ว่าต้นทุนมีเงินไม่เพียงกี่บาท จนอย่างนี้กลายเป็นเศรษฐีร้อยล้า น, นเป็นเศรษฐีร้อยล้านนี่มีรถหลายสิบคันมีบ้านใหญ่โตมีที่ดินเลือกสวนไรนาเยอะแต่เป็นคนพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อร่ารวยมีทรัพย์สมบัติแล้วก็ไม่ยอมกินบุญเก่าอย่างเดียวปรากฏว่าสองคนสามีภรรยานี้ทาบุญมากทาบุญมากทำบุญจังเลยปีๆหนึ่งนี่หมดไปหลายแสน หรือบางทีจะก็เป็นม้านก็วัดไะ้ปีหนึ่งบางครั้งทอดก็ถินตั้งหลายสิบวัดนะหลายสิบวัดนะวัดละหมื่นนะวัดละหมื่นบ้างแล้วที่ไปร่วมพิเศษต่างหากวัดละพันสองพันอย่างนี้ก็ยังมีอีกมากนะยังมีอีกมากนี่เพราะอะไรนี่ก็เพราะว่าเป็นบุญที่ทํามาแล้วในชาติต่างก่อนนะจึงทําให้เขาจะดําเนินกิจการอะไรก็จเจริญรุ่รงเรืองทุกสิ่งทุกอย่างนะอา้าวคนบางคนเหมือนกัน มาร่ำเรียนศึกษาก็ปรากฏว่าแหมมันเรียนก็สอบได้บ้างสอบตกบา้างทั้งๆที่ททขยันแล้วอว่าจะได้แต่ละขั้นละขั้นนั้นต้อแสนจะยา ก, กยเกินเหลืเกินแต่บางคนรู้สึกว่าเขาสอบใช้ก็ได้เลยนได้ด้วยเลยนี่อันนี้แหละมันก็เป็นบุญวาสนาของเขาเขาได้สร้างมาดีนะได้สร้างมาดีฉะนั้นเขาบอกว่าแข่งเรือแข่งพายนะ่าแข่งได้แต่จะมาแข่งบุญแข่งวาสนานะ่ยแข่งไม่ได้นะมาแข่งไม่ได้ ฉะนนอันนี้ก็ฝากอาข้อคิดอันนี้ไว้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าขอให้เราทุกคนนั้นพยายามอาสร้างบุญสร้างกุศลให้มากในขณะที่มีชีวิตเป็นอยู่ใอ้คาว่าสร้างบุญสร้างกุศลให้มากท่านต้องเข้าใจให้ดีว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องทําด้วยเงินด้วยทองนะอย่างนั้นเสมอไปเพียงแต่ท่านทําความดีด้วยกายวาจาใจนี่ก็เป็นบุญกุศลมากเลยนะ ขอให้ท่านทําความดีทางกายทางวาจาใจให้มากก็คือทํากายให้สุจริตทําวาจาให้สุจริตทําใจให้สุจริตนะฝ่ายทางกายก็คือพยายามไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เหยียดเบียงสัตว์ไม่ทรมานสัตว์นะทางวาจาก็คือไม่พูดคําหยาบไม่พูดอโกหกไม่พูดเสียดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อทางใจก็ไม่คิดโลภอยากได้ของเขาไม่พยาบามบตรองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทํานองตรงธารม เราทําอย่างนี้ได้ชื่อว่าเราทําความบริสุทธิ์เราได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างมากอนะไอการที่เราจะทําเป็นเงินเป็นทองนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นก็เท่ากับว่าเราแบ่งปันนะแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับคนที่ยังยากจนกว่าเราคนที่ยังขาดแคลนอันนะั้นในทางวัตถุเราก็ทําไปเถอะมันก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนะั้นนะเพราะว่าบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับคนเรานั้นมันก็เกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางใจมันเกิดได้สามทางนะ การให้ทานก็เป็นบุญทานลนไมบุญสาเร็จด้วยการให้ทานศีลละไมบุญสําเร็จ้วยการรักษาศีลภาวนาไมยบุญสําเร็จโดยการเจริญภาวนาเนี่ยแม้แต่เราไปปวดฝายช่วยเขาทํากิจการงานหุงต้มเก็บกวาดตัดอาสนะต่างๆนะกวาดล้างวัดกวาดบ้านกวา ด, ดช่องอะไรทุกสิ่ทุกอย่างช่วยเหลือกิจการงานของเขาโดยไม่เห็นแก่ความเหยยากลําบากอันนี้มันก็เป็นบุญนะเป็นบุญทางนั้นฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญนะเป็นบุญทางนั้นเลยหรือบางครั้งก็คือว่า แม้แต่การให้ให้ทำให้บุญกันนั่นก็เป็นบุญเขาเรียกว่าปฏิทานทำไมบุญสำเร็จด้วยการให้ให้ส่วนบุญนะคนโบราณเต็มเวลาไปทำบุญมาแล้วก็มักจะพูดว่าอา้าวยายฉันเอาบุญมาเพื่อนะนะคนนั้นก็จะประนมมือขึ้นบอกสาธุนะอา้าวพี่ฉันเอาบุญมาเพื่อนะนะรับประส่าทุนกะแต่คนเดียวนี้ไม่เข้าใจนะคนเดียวนี้ไม่เข้าใจก็เลย ไม่มีการให้ส่วนบุญกันนะจึงไม่มีการให้ส่วนบุญกันฉะนั้นที่พูดมาอย่างนี้ก็เพื่อเป็นการปลูกศรัทธาความเชื่อเปิดสายตความเรื่องใสนะให้เกิดกับท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าคนที่มีบุญอันกระทําแล้วในการก่อนนั้นเมื่อมาเกิดแล้วก็มักจะเกิดในที่ดีนะแล้วก็เกิดได้พ่อแม่ที่ดนะีแล้วก็จะมีกินมีใช้ไม่ลําบากไม่เดือดร้อนะ ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนยิ่งไปกว่านั้นจะเล่าเรียนอะไรก็สําเร็จอ่าปรารถนาสิ่งไรก็ได้ได้ได้ภรรยาดีได้สามีดีนะได้ทํากิจการงานที่ดีอ่าได้เงินเดือนดีอมีคนคอยช่วยเหลือดีมีพวกพ้องดีมีญาติี่น้องดีนี่แหละถือว่าเป็นบุญเหลือเกินนี่เป็นบุญไม่ใช่อะไรฉะนั้นจึงบอกว่าเราอยากรวบบุญกันเลย อ, อยากรวบวมบุญกันเลย เพราะว่าบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความร่มเย็นบุญ เ, เป็นลักษณะของความเต็นก็คือว่าคนทำบุญนั้นต้องเต็มใจทำนะจึงจะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะนี่ฉะนั้นจึงไม่บอกว่าความเป็นผู้บีบุญอันกระทำแล้วในการก่อนนั้นก็ย่อมจะส่งผลมาให้เรานั้นทำอะไรก็ไม่มีอุปสรรคนะไม่มีอุปสรรคและยิ่งไปกว่านั้น เราจะเล่าเรียนอะไรปรยัติธรรมก็ดีปฏิบัติก็ดีมันก็จะเจริญนุ่งเรืองอาจที่สุดก็คือว่าอาจจะได้จิตเป็นสมาธิเร็วหรือว่าได้มรรคผลได้นิพพานเร็วอันนี้ก็ได้จึงไม่บอกว่าคนที่เจริญมหาสติปัฏฐานถ้าหากว่าเป็นคนมีบุญก็อาจจะได้าดวงตาเห็นธรรมนได้มรรคได้ผลภายในเจ็ดวันบางคนก็อาจจะได้ภายในเจ็ดเดือนอคนมีบุญน้อยต่อไปก็อาจจะได้ภายใน สิี่เดือนอ่าบางคนก็อาจจะได้เป็นเจ็ดปีนะะหรือบางคนตลอดชีวิตก็ไม่ได้เลยก็ได้นี่ฉะนั้นจะบอกว่าอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องมุญเรื่องวาสนานะเกี่ยวกับเรื่องบนเรื่องวาสนาฉะนั้นไอ้บุญวาสนาี่เราต้องสร้างนะขอให้ท่านรู้ไม่ใช่ว่ามันนั่งคอยเอาเฉยๆนะไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนเอาเฉยๆเราต้องสร้างต้องทำนะบุญเราเกิดในปัจจุบันชาตินี้เราต้องสร้างเราต้องทำํำนะ การที่เราสร้างเราทําเราสร้างอะไรเราทําอะไรต้องสร้างเนื้อสร้างตัวของเราการสร้างเนื้อสร้างตัวก็คือว่าให้เรานั้นก็คือว่าจากการแย่ขยันเล่าเรียนศึกษาขยันหาความรู้เมื่อมีความรู้แล้วแน่นอนที่สุดใครก็อยากต้องการเอาไปทําการงานเอาไปเป็นผู้นําในใสายงานเมื่อเราทํางานแล้วเราก็ต้องพยายามทําความพอใจในงานนะั้นเมื่อมีความพอใจก็คือขยันทําการงานมีความเพีย ń. ขยันทํากิจาการงานที่ได้รับมอบหมายที่ได้รับแต่งตั้งทําให้ดีอา่าทําให้เสร็จอย่าทําให้ข้างค้างเอาเมื่อเราทํางานอย่างนี้ก็เอาใจจิตจอ่อกับผลงานที่เราได้กระทําที่เราได้กระพุทธปฏิบัติที่เราได้สั่งลูกมองไปก็ดีอา่าเราจะต้องติดตามผลงานอันนั้นและเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดเราจะต้องตรวจสาพิจารณาผลงานที่เราได้กระทํานั้นว่ามีอะไรบกพร่องอยู่ไหมมีอะไรที่ควร ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างอีกไหมหรือเราควรจะคิดต่อไปอย่างไรอีกให้มันกว้างขึ้นไปอีกอนี่แหล ะ, ะแสดงว่าเรานั้นมีคุณธรรมอยู่ในใจที่จะทําให้สําเร็จสมผ์มทุกสิ่งทุกอย่างก็คือฉันทะวิยะจิตตวิมังสานั่นเองยังมีคํากลอนที่บอกไว้ว่าฉันทะวิยะตั้งวิทยาการเอยอยจิตตวิมังสาครบุน อิทธิบาทสีปรากฏแก่ใครนาสําเร็จทุกสิ่งล้วนทั่วหน้านับถือนี่เรียกว่าคนมีคุณธรรมทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็จะทําอะไรก็สําเร็จนะสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะฉะนั้นจึงบอกว่าขอให้เราทุกคนได้มาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจักสี่นะว่าเป็นเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกันนะเป็นเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกัน อ, อควรทราบว่าข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งก็เป็นเหตุผลของกันและกัน ก็อที่หนึ่งเป็นเหตุผลของข้อที่สองคือปฏิรูปประเทศวาสอ่าการอยู่ในประเทศอันสมควรนะก็เป็นเหตุให้ให้มีการคบสัตว์บุรุษประเทศอันสมควรกนะ็คือประเทศที่มีสัตว์บุรุษสปุยสู ป, ปัตเสยก็คือการคบสัตว์บุรุษก็คือคบคนดีคบนักปราชญนะ์แน่นอนที่สุดอ่านะคบคนดีเราต้องดีดนะีคบคนดีต้องไดีดี ควบคชั่วต้องได้ชั่วเราทำดีเราก็ต้องไ ด, ด้ดีเราทำชั่วเราก็ต้องได้ชั่วนี่มันเป็นหลักความจริงในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าสับปุ๋ปสยสูบปัจจะมันก็เป็นผลเป็นผลแล้วก็ข้อที่สองสับปุ๋ปสยสูบปัจจะนี้ก็เป็นเหตุกลับมาเป็นเหตุของข้อที่สามก็คืออัตตะสำมาปภะปนิธิก็คือตั้งตนไว้ชอบนตั้งตนไว้ชอบนี่ คําว่าตั้งตนไว้ชอบเรียกว่าอัตตะสมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอ บ, าาาาชอบคือตั้งยังไงคือตั้งใจให้มั่นคงนะทุ่งตัวเองเพะฉะนั้นอันนี้ก็มีภาษิตเล่าบองไว้ว่าอัตตาหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถสโรสิยาบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อ่านะอัตานาหิสุทันเตนะนาถังรัติทุลพั เมื่อบุคคลมีตนอันฝึกดีแล้วก็ย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลได้โดยยากนี่ฉะนั้นการที่เราจะตั้งตนไว้ชอบนั้นก็ขอให้เราทุกคนจงคิดเสมอว่าเราจะต้องเป็นที่พื่งของตัวเองอก็ไม่มีอะไรดีไปในประการแร่ก็คือให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้เมื่อถ้าหากว่าโอกาสแรกเราไม่ศึกษาเล่าเรียนเราก็กลับจิตกับใจตอนตอนหลังได้เดี๋ยวนี้เขามีโรงเรียน ให้เรียนตอนผู้ใหญ่เยอะนะเรียกว่าโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ให้เรามีโอกาสแก้ตัวเราไม่ได้เราเรียนในตอนที่ในวัยเด็กก็มาเรียนเอาตอนในวัยตก็ได้นะในเรียนเอาวัยตก็ได้บางคนมาเรียนเอาเมื่ออายุยี่สิบปีก็มีจนไปเป็น น, นายอำเภอก็มีเป็นผู้ว่าก็มีอเป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกอันนี้ก็มีเยอะนะเรียกว่าเป็นอธิการบดี เป็นคณะบดีต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทห้งร้านต่างๆอันนี้ก็มีมากนี่เพราะอะไรเพราะเขามาจับตัวจับใจได้หรือมาคํานึงถึงว่าเออถ้าหากว่าตนไม่มีความรู้นั้นแน่นอนที่สุดก็คงจะพึ่งตัวเองไม่ได้นะเพราะความรู้เนี่ถือว่าเป็นอริยทรัพย์นะเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันตรเสริฐเป็นทรัพย์ภายในนะเรามีทรัพย์สินเงินทองอแก้วแหวนต่างๆนี้มันก็เป็นทรัพย์เหมือนกัน ทรัพย์นี่เป็นสิ่งเครื่องปลื้มใจเราดีใจเราภูมิใจเรารวยเราเวยมากนะเราเวยมากเรามีแกนุ แ, ว แ, วแวหวนเ ง, งินทองเครื่องกิน เ, เครื่องใช้เครื่องบริโภคมากอันนี้เราก็ภูมิใจปลื้มใจแต่ว่าทรัพย์อย่างนี้มันหายได้มันหมดไปได้โจรปล้นได้น้ําพัดพาได้ไฟไหม้ได้เรียกว่ามันเป็นทรัพย์ภายนอกแล้วบางครั้งตัวเราก็อาจจะตายได้นี่เราเคยได้ยินได้ฟังเคยเห็นอ่ามีการจี้ปล้นกัน นะมีการฆ่าการชกจิ้งวิ่งดาวกันนี่อันนี้เราเห็นอยู่เป็นประจำเห็นไหมนี่ก็เพราะว่าทรัพย์เป็นเหตุนะบางทีมีการกระตกสร้อยกันบางทีเดี๋ยวนี้สร้อยหน้าก็เอานะแม้กระทั่งส้อยสเตลเลสบางครั้งมันก็เอาหน้ามืดขึ้นมาเอาทั้งนะั้นนี่ฉะนั้นอันนี้แหละก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้เป็นอข้อคิดว่าถ้าหากว่าเรามีทรัพย์ภายในก็คือปัญญานะคนงามความดีนี่เป็นปัญญาทั้งนั้นนะตั้งแต่ให้ทานนี่ก็ ถืว่าเป็นทรัพยภายในนะมีศีลอะมียิริมีมมอดตะละมีการเสียสละอ่าพวกมีขันติอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นทรัพยภายในทั้งนั้นอ่เป็นทรัพยภายในฉะนั้นโดยเฉพาะคือตัวปัญญาอืมปัญญานี้ถ้ามีมากก็จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะตัดอุปสรรคได้กําจัดอุปสรรคให้หมดไปได้อ่ฉะนั้นก็ขอให้เรานั้นให้ให้ทําตัวเองให้เป็นตัวอย่างแก่ตัวเองและเป็นตัวอย่างกับคนอื่น ทำตัวเองให้พึ่งกับตัวเอเป็นที่พึ่งกับตัวเองนะฉะนั้นถ้าตัวเองยังพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วใครเขาจะให้พึ่งนะจริงอยู่ธรรมดาคนเราที่เกิดมานั้นเมื่อตอนเล็กๆเมื่อตอนเด็ก ๆ, ๆ, ๆเล็กๆก็จะต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่ญาติพี่นะ้องแต่ว่าเราจะพึ่งพ่อแม่ไปตลอดชาติไม่ได้นะพ่อแม่ก็จะพึ่งเราไปตลอดชาติไม่ได้นะเพราะชีวิตมันเป็นของไม่แน่นอนนะมันเป็นของไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ลูกไม่จากแม่แม่ก็ต้องจากลูกนะพ่อไม่จากแม่แม่ก็ต้องจากพ่อเรียกว่าต่างคนตา่างมีโอกาสที่จะต้องจากกันได้ทุกๆกวินาทีทุกทุกวินาทีฉะ น, นั้นเราก็ควรจะรีบสร้างคุณงามความดีให้มากสร้างคุณงามความดีให้มากก็คือทําตัวเองให้เป็นที่พึ่งของตนด้วยการเรียนการศึกษาอ่าการสร้างคุณงามความดีทําจิตใจให้เป็นสมาธิมันก็จะเป็นบ่กเกิดึแอ่าสติปัญญาอืม นี่เลยท ว, ว่าเป็นการตั้งตนไว้ชอบก็คือตั้งอยู่ในศีลในธรรมนะไม่ไม่เบียดเบียนเขานะให้เขาต้องเดือดร้อนอย่างนี้ใช้ได้ในข้ออัตตะสัมมาวินิจธินี่ถือว่าเป็นข้อที่สานะก็เป็นผลของข้อที่สองแล้วก็เป็นเหตุของข้อที่สี่นะก็คือในข้อปกเพกตะปุญญาตานะเมื่อบุคคลมาปฏิบัติธรรมสี่ประการนะก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไป อเรียกว่าธรรมสามคีหรือเขาพูดอีกในหนึ่งว่าเป็นธรรมสมังคีก็คือว่าปฏิบัติให้พร้อมกันไปทั้งสี่ให้พร้อมกันไปทั้งสี่อย่างจึงจะเกิดผลประโยชน์จะเป็นข้อหนึ่งข้อใดไม่เกิดผลประโยชน์แล้วทำทั้งสี่อย่างนี้บางที่บางอาจารย์ท่านบอกว่าขึ้นปุกเพกตะปุญญาตาก่อน อะค น, น่เมื่อมีบุญอันกระทําไว้แล้วในปางก่อนก็ย่อมจะมาเกิดในปฏิรูปประเทศนี่มันก็ก็ได้เพราะว่ามันเป็นวัตจักรมันวนเวียนกั น, นเมื่อคนมีบุญอันทําไว้แล้วในชาติตางก่อนก็ย่อมจะมาอยู่ในประเทศอันสมควรก็คือปฏิรูปประเทศอก็คือทําให้มาเกิดในแดนดินที่สมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์พันยาหารการคมนาคมสะดวก การครมนากรมสะดวกการทํามหากริ่ไม่ปวดไม่เคืองและก็ทําให้ได้รู้ได้มีสัตบุรุษมาได้มาได้พบสัตบุรุษมาเมื่อเราได้พบสัตบุรุษเมื่อพบสัตบุรุษแล้วก็ทําให้เราได้มีโอกาสได้ฟังทำคําสั่งสอนของสัตบุรุษอ่าได้มีสัตบุรุษเป็นครูเป็นอาจารย์นะได้ม <PTSD> well. ีสัตบุษเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อเราได้ฟังทำของครูของอาจารย์ที่เป็นสัตบุรุษเป็นคนฉลาดก็ทําให้เรานนั้ตั้งตนไว้ดี นะตั้งตนไว้ดีก็คือตั้งตนไว้ไม่ไม่ผิดก็คือตั้งตนไว้ถูกนะนี่อรียกได้ว่าตั้งตนไว้ถูกเมื่อเราตั้งตนไว้ถูกแน่นอนที่สุดก็ได้ชื่อว่าเรานั้นจะได้เกิดมาเป็นคนดีก็คือคนที่มีบุญอันกระทำไว้แล้วในการก่อนนี่มันเป็นวนเวียนกันไปอย่างนี้นะมันวนเวียนกันไปฉะนั้นจึงบอกว่าทำทั้งสี่นี้ ต้องประพฤติให้เป็นธรรมะสมังคีนะต้องประพฤติให้ควบคู่กันไปพร้อมกันไปนะพร้อมกันไปเมื่อเราประพฤติให้พร้อมกันไปก็ย่อ ม, มจะพัดพาทําให้เราบรรลุความสุขความเจริญดุดล้อรถนะดุดล้อรถที่จะพัดพาผู้่งขึ้นให้ไปถึงอ่อเป้าหมายที่เราประสงค์จะไปได้หรือดุดล้อรถที่จะพัดพาเราไปสู่เป้าหมายปลายทาง ได้อย่างฉับทันได้อย่างสมหมายจึงได้นามว่าจักรแปลว่าล้อนะจักรเนี่ยแปลว่าล้อนะเหมือนกับรถยนต์มันมีสี่ล้อนะถ้าหากว่ามันขาดไปสัล้อหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายปลายทางได้ขาดไปสองล้อก็พาไปไม่ได้ขาดไปสามล้อก็พาเราไปไม่ได้ฉะนั้นต้องมีทั้งสี่ล้อนะต้องมีทั้งสี่ล้อแล้วก็มีคนขับนะคนขับที่ดี ก็จึงจะพาเราไปสู่เป้าหมายปลายทางได้ธรรมะสี่ประการนี่เหมือนกันต้องประพฤติให้เป็นไปพร้อมกันทั้งสี่ข้อนะทั้งสี่ข้อตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสอี่าถ้าเราประพฤติได้อย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเรานั้นได้ได้ปฏิบัติธรรมสี่ประการได้อย่างถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดนั้นเมื่อเราปฏิบัติไม่ผิดไม่พลาดก็ย่อมจะเป็นปัใจจัยให้เรานั้นได้ประสบผลแห่งความเจริญผลแห่งความรุ่งเรืองอ่า เมื่อคนเราประสบผลความจเจริญรุ่งเรืองก็ได้ชื่อว่าเรานั้นได้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดนะไม่เสียชาติเกิดและจะไปอยู่แห่งหนึ่ตำบลใดก็มีคนต้องการมีคนอยากคบค้าสมาคมและเราก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครใครก็ไม่อยากมาทําร้ายร่างกายเราเพราะเราเป็นคนดีนะเพราะเราเป็นคนดีฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงตั้งอยู่ในจักรสีก็คือว่าหนึ่งอยู่ในประเทศอันสมควรปฏิรูปประเทศสวศัสนดะิ์ ประเทศอังสมควรได้แก่ประเทศที่มีสัตว์บุรุษเมื่อมีประเทศที่มีสัตว์บุรุษก็เป็นปัจจัยในข้อที่สองให้เราได้คบสัตว์บุรุษนะสัปิสุปัสิยะเมื่อเราคบสัตว์บุรุษคบท่านแล้วแน่นอนที่สุดเราได้ฟังคําสั่งสอนของท่านก็คือทําให้เรานั้นละชั่วนะประพฤติแต่ความดีนะละชั่วประพฤติแต่ความดีก็ทําให้เรานั้นเป็นคนดีเมื่อเราเป็นคนดีแน่นอนที่สุดก็เท่ากับว่าเรานั้นก็ตั้งตนไว้ดีเมื่อตั้งตนไว้ดีนั่นแหละจะได้ชื่อว่า เราเป็นผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วทั้งในชาตินี้และในชาติตางก่อนเอาละอาตอมาภาพได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องจักรีมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร